ไม่พึงใช้ไม้ป้ายยาตาชนิดต่างๆรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้ป้ายยาตาทำด้วยกระดูกทำด้วยงาทำด้วยเขาละทำด้วยเปลือกสัง